ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปัพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันนานาพระอมราภิรคกิตะอมรโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาโรจนาต่อไปก็จะเป็นพระคุณของมาสัมมาสัมพุทธเจ้าในบทว่าอนุตโรปุริสธรรมมสารติ อันหนึ่งอนุตตรโปุริสธรรมสารติสองนี้เป็นพระนามเดียวกันแปลว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ทรมานซึ่งบุรุษที่ควรทรมานไม่มีใครยิ่งกว่าแท้จริงเหมือนอย่างกัจศสารและอัศดรนายหัตถอาจารย์อาสาอาจารย์ควานผู้ฉราดทรมานคล่องแคล่วแล้วด้วยดีในควานประสงค์จะให้เล่นไปในทิศใดก็เล่นไปได้อย่างทิศนั้นอย่างเดียวในวาระหนึ่ง ส่วนบุรุษที่พระผู้มีพระภาคทรงทรมานแล้วนั้นแม้นั่งอยู่ด้วยบรรลังอันเดียวก็ย่อมแล่นไปได้จูทิศ ท, ทั้งแปดคือสมบัติแปดเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าอนุตต e r ปุริสัธรรมสารทิอันหนึ่งพระองค์ทรงทรมานเทพดามนุษย์ซึ่งเป็นบุรุษควรทรมานด้วยอนุสาสนีปาฏิหาร เป็นกระบวนทรมานไม่ข่มเหงด้วยอาทยาให้ตัดเฉวยทุกขเวทนาดังควานช้างควานมา้าและคนที่เป็นอิสาราธิปดีทรมานตึ่งกข้อจารและอัศดรและชนอยู่ในอำนาจแห่งตนด้วยคำดาและอาทยาคือจองจําและประหารด้วยเครื่องประหารต่างๆแม้พระองค์ทรงทรมานสัตว์บางพวกด้วยอิทธิ ป, ปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารบ้าง ก็เป็นกระบวนาปราบกรามให้สิ้นพยศอันดุร้ายมานะดื้อกระด้างเสียก่อนแล้วก็สงทรมานด้วยอนุสาสนีปาฏิหารคือประธานเทศนาคำสอนให้สัตว์ปฏิบัติตามมาลพยศอันร้ายคือทุจริตสังกิเลธรรมด้วยมรรคภาวนานั้นนั้นสัตว์นั้นไม่กลับคืนประกอบด้วยทุจริตสังกิเลธรรมซึ่งเป็นพยศอันร้ายอีกเลย ดังข้อจัดารและอัศดรในความทรมานแล้วแลกลับคืนมีพยศอันร้ายอีกบ้างในการบางคราวเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าอนุตตโรปุริสธรรมะสารติผู้ทรมานซึ่งบุตรที่ควรทรมานไม่มีใครยิ่งกว่าพระนามว่าสัทธาเดวมนุ ษ, ษาหนังแปลว่าพระองค์เป็นาศาสดาผู้สอนของเทพดามนุษย์ทั้งหลาย แท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมสอนด้วยประโยชน์สอย่างคือทิฏฐธรรมิกัปประโยชน์ในทิฏฐธรรมปัจจุบันคือชาตินี้และสัมปรายจัตถประโยชน์ในภพหน้าและประมตถประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานตามควรแก่อัตยาสัยแห่งเวเนยสัตว์พระองค์สอนด้วยทิฏฐธรรมิกัปประโยชน์นั้นดังพระองค์สอนทีฆชานุโกริยบุตร และอุดชยะรามด้วยสัมปทานสีคืออุทถานาสัมปทานความมันประกอบกิจการงานซึ่งเป็นหน้าที่อันตนจะต้องทำและแสวงหาทรัพย์โดยอุบายที่ชอบอารักษสัมปทานความฉลาดรักษากิจการงานที่ตนประกอบและทรัพย์ที่แสวงหาได้มาด้วยความมันนั้นมิให้เสียหายสมาร์ชีวิ ต, ตาความเลี้ยงชีวิตใช้ทรัพย์พอควรแก่กาลังทรัพย์ที่มีมากและน้อย และกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้เสพกัลยาณมิตรดังนี้ก็ดีและสรงชี้ให้รู้จักอบายมุกประตูที่จะให้เติมทรับสี่ อ, อย่างคือเป็นนักเลงสตรีหนึ่งเป็นนักเลงสุราหนึ่งเป็นนักเลงเล่นการพนันหนึ่งคบคนชั่วเป็นมิตรหนึ่งและส่งแจกอบายมุกอีกหกอย่างคือประกอบการเสพสุราหนึ่งเที่ยวเล่นกลางคืนหนึ่งเพลินในการระเล่นเกินประมาณหนึ่ง ประกอบการเล่นการพนันหนึ่งคบคนชั่วเป็นมิตรหนึ่งเจ็ดครั้นการประกอบกิจการงานหนึ่งให้ถึงคาระกะมานพกระหระัสดีบุตรรู้จักเพื่อมาละเว้นเสียดังนี้ชื่อว่าสอนด้วยทิฏฐะทำนิกัตะประโยชน์และพระองค์สอนด้วยสัมปรายิกัตะประโยชน์นั้นดังสอนทีฆชานุโกริยะบุตรเป็นต้นนั้นด้วยสัมปทาสีคือศรัทธาศีลจาคะปัญญา อนหนึ่งพระองค์ทรงแสดงมัตติยตาปฏิบัติเกื้อกูลแก่มารดาเปติยตาการปฏิบัติเกื้อกูลแก่ปิดาสามัญยตาการปฏิบัติเกื้อกูลแก่สมณะผู้ปฏิบัติกายวาจาใจระงับจากบาปบรามัญยตาปฏิบัติเกื้อกูลแก่ท่านผู้มละบาปในไตรทวานซึ่งได้นามตามอริยะโอหารว่าพรามอปตะจายนะ ความประพฤติตนอ่อนน้อมแก่บุคคลผู้ควรอ่อนน้อมนละแสดงยาติสังหะการสมเคาธธาราะญาติปุตตะทารสังหะความสมเคราะห์บุตรภรยาและบุญกิยาวัตถุสามคือทานการให้ปันหนึ่งศีลความสมรวมกายวาจาเรียบร้อยปราศ จ, จากโทษหนึ่งวนาความทำกุศลให้เกิดมีในจิตหนึ่งทุจริต ป, ประหารการาละความประพฤติชั่ว สุจริตสมาทานการถือความประพฤติดีเป็นต้นโดยในวิจิตทิพแทนยักษ์จ้ายต่างๆซึ่งมีมาในสุกตันกประเทศนั้นๆดังนี้ชื่อว่าสอนด้วยสัมปรายิกัตถะประโยชน์พระองค์ทรงสแสดงไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาและแสดงปฏิปทาต่างๆซึ่งเป็นอุปการะแก่ไตรสิกขาซึ่งเป็นทางที่สัตว์จะดาเนินถึงพระนิพพาน เป็นที่กเกษมสิ้นทุกข์โดยอเนกกนัยวิจิตต่างๆซึ่งมีมาในคำภีป ร, ริยติธรรมดังนี้นั้นชื่อว่าทรงสอนด้วยปรามาถประโยชน์เพราะพระองค์สอนสัตว์ด้วยประโยชน์สามดังนี้จึงมีพระนามว่าสัตถาเดวะมนุษยานังก็แลพระองค์ทรงสอนด้วยทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์และสัมปรายิกัตถประโยชน์นั้นไม่มหัศจรรย์ยิ่งนัก ด้วยครูอื่นบางเหลา่าอาจแสดงได้บ้างโดยเอกเทศซึ่งพระองค์ทรงสอนด้วยทางปรมัติประโยชน์นั้นเป็นมหัศจัรย์ใหญ่ยิ่งนักด้วยครูอื่นไม่อาจแสดงได้แม้โดยเอกเทศอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าดังอาจารย์ผู้สอนอักษรสมัยฝ่ายเวนยสัตว์ซึ่งยังไม่เคยสดับพุทธภาษิตไม่รู้จักประโยชน์สองก็ดีและประเภทกุศลและอกุศล และประเภทแห่งสังขารมีขันเป็นต้นประกอบด้วยวิปาสสําคัญว่าสังขารเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลและเป็นของงามดังกุมาร น, น้อยที่ยังไม่ได้ศึกษาในอักษรสมัยแม้เห็นอักษรก็สําคัญว่าลวดลายวิจิตครันเวยนัยศาตร์ได้สดับพระพุทธภาติเฉพาะพระพักดหรืออาศัยอุกหะป ร, ริปุจฉาคือการเรียนการสอบถาม และกระดับเทสนาแต่ผู้หูสูตรบุคคลแสดงสืบสืบกันมาแล้วอ่านออกและรู้ประเภทแห่งธรรมเป็นกุศลและอกุศลและรู้ประเภทแห่งสังขารมีนามรูปเป็นต้นแล้วแยกย้ายกองสังขารเป็นนามรูปหรือขันห้าขึ้นพิจารณาด้วยสัมมัชนญาณก็คือเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นสามั ญ, ญลักษณะในสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ตน หรือเห็นว่าเป็นของปฏิกูลไม่งามมาละวิป拉萨สามสี่ได้ด้วยตะถังคประหารขณะหนึ่งก็ดีหรือด้วยสมุตเฉทับประหารมาละขาดทีเดียวก็ดีวิป拉萨สามก็ได้แก่สัญญาวิปา萨จิตตวิปา萨แล้วก็ทิฏฐิวิปา萨ในอาการสี่ก็คือมีความจํามีความคิดมีความเห็นในสิ่งที่ไม่งามว่างามไม่เที่ยงว่าเที่ยงเป็นทุกข์ก็เป็นสุขแล้วก็เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา อันนี้ด้วยอาการสี่อย่างแต่ว่วิปปาราสนั้นก็มีสามก็คือสัญญาวิปปาราสิทธวิปปาราสแล้วก็ทิฏฐิวิปปาราสก็ดังกุมาร น, น้อยได้ศึกษาอักษรสมัยในสำนักของอาจารย์แล้วได้เห็นอักษร อ, อ่านออกรู้ความมะลรวิปปาราสซึ่งเห็นว่าเป็นลวดลายนั้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ถึงพระองค์ดับขันทปรินิพานแล้วล่วงไปคําสอนซึ่งเป็นอนันสาสนีปาฏิหาร ยังปฏิสถานอยู่เป็นคุณแก่เทพดามนุษย์ในภายหลังก็ได้ชื่อว่าเป็นศาสดาผู้สอนของเทพดาและมนุษย์ในภายหลังด้วยเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพระนามว่าสรัทธาเดวมนุษยานังคําว่าเดวมนุษยานังนั้นเป็นคํากล่าวด้วยสามารถกําหนดสัตว์อันอุกฤษและกําหนดสัตว์ที่เป็นพภะบุคคลควรตัสรู้จตุราริยมัคคาริยผล ก็คืออริยสัพสีมีมัชมีผลเป็นต้นถึงกระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ชื่อว่าเป็นศาสด า, าผู้สอนของอามนุษย์และเดรัจฉานบางเหล่าด้วยเพราะพระองค์ประทานอนุสาสนีคําสอนแก่อามนุษย์และเดรัจฉานเหล่านั้นดังอาละวกกายะและอะปะลาระนาคราชเป็นต้นซึ่งได้รับอนุสาสนีของพระองค์ได้ประสาทได้ประสสะก็คือความเลื่อมใส ยังลงในพระรัตนตรยัยมลพยตอันร้ายคือทุจริตเสียได้เพื่อนามว่าพุทธโธนั้นแปลว่าเป็นผู้ตัดสรุ้คือรู้เท่ายยาธรรมทั้งปวงอันหนึ่งแปลว่าเป็นผู้บาลแล้วถึงที่ด้วยตัดสรุปจระของจริงสีโดยลำพังพระองค์เองและให้ตัดอื่นตัดสรุ้ตามด้วยอธิบายทั้งปวงให้ปราพึงรู้ดังในหนหลังนั้นเถิด ในที่นี้แปลกแต่คําว่าเยะยธรรมแทนสังขารเท่านั้นพระนามว่าพักวานั้นแปลว่าผู้มีภาคก็ภาคนั้นได้แก่กุศลธรรมมีทานศีลเป็นต้นซึ่งเป็นธรรมอันถึงซึ่งส่วนอันอุดมอย่างอุกฤตและเป็นกุศลอย่างโลกิยสุกโลกุตระสุขให้บังเกิดขึ้นภาคนั้นย่อมมีแก่พระองค์พระเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าพักวา อันหนึ่งพระควาแปลว่าเป็นผู้แจกออกก็แลพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมแจกออกซึ่งสัพพธรรมทั้งปวงโดยประเทศว่าเป็นกุศลและอกุศลและเป็นอัพยากริธรรมใช่กุศลและอกุศลเป็นต้นแล้วก็แจกกระจายขยายธรรมเหล่านั้นเป็นจิตเจตสิกแล้วก็จัดจำแนกเป็นภูมิสี่เป็นต้นเพื่อให้กคนบุตรรู้แจ้งชัดในธรรมมีกุศลเป็นต้นนั้น แล้วยักย้ายทำเหล่านั้นเป็นขันอยตนะท่าอินทรี์อริยตัดปฏิจัตสมุบาเป็นต้นเพื่อเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาปัญญาแลแ้แจกสามัญลักษณะเครื่องหมายเป็นสามัญซึ่งมีทั่วไปในทำเหล่านั้นคืออนิจจตาความที่ทำเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความที่ทำเหล่านั้นเป็นทุกขทนได้ยากอนัตตาความที่ทำเหล่านั้นเป็นของไม่ใช่ตน สามนี้เป็นลักษณะเครื่องหมายแห่งวิปัสสนาปัญญาและประสงค์จะชี้ว่าในธรรมทั้งปวงเหล่านั้นได้จริงอยู่สี่จึงทรงแจกสัจจะของจริงแห่งพระอริยะเจ้าสคือทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรธมรรแล้วประสงค์จะให้เห็นว่าเป็นทุกข์ด้วยเหตุนี้จึงทรงแจกอัฏฐะแห่งสัจจะสี่นั้นว่าธรรมมีขันเป็นต้นนั้นเป็นทุกข์ ด้วย อ, อัดคือบีบคั้นสัตว์อย่างหนึ่งปีระนัผโถด้วย อ, อัดคือเป็นทำอันปัจจัยทั้งหลายมีตัณหาเป็นต้นประชุมพร้อมกันเข้าทำให้เป็นขึ้นอย่างหนึ่งก็คือสังคตัดโถด้วย อ, อัดคือยังสัตว์ให้เร่าร้อนพร้อมอย่างหนึ่งเรียกว่าสันตาปนัทโถด้วยอัดคือเป็นของแปรปรวนไม่ยังยืนอย่างหนึ่งเรียกว่าวิปริณามัทโถจึงเป็นทุกตัณหาเป็นสมุทยัย เหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกนั้นด้วยอาจคือประมวลมาด้วยสามารถยังทุกขให้เกิดขึ้นอย่างหนึ่งอันนี้ก็อายุหณัตโถด้วยอาจคือเป็นเหตุมอบให้ตึ้งทุกเป็นผลของตนอย่างหนึ่งนี้เรียกว่านินิทานัตโถด้วยอาจคือประกอบสัตว์ไว้ด้วยทุกขอย่างหนึ่งเรียกว่าสังโยคัตโถด้วยอาจคือห้ามกันไว้ไม่ให้ตัดได้มรรคผลอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปริโพทัตโถเป็นปริพธเครื่องผูกพันเอาไว้ จึงเป็นสมุทยัยพระนิพพานเป็นนิโรธที่ดับทุกข์ด้วยอัดคือสลัดเสียซึ่งอุปธิธรรมเป็นที่เข้าตั้งอยู่แห่งทุกข์ทั้งปวงอย่างหนึ่งนิสรณัดโถด้วยอัดคือวิเวกสงัดจากสังขารทั้งปวงอย่างหนึ่งก็เรียกว่าวิเวกัดโถด้วยออัดคือเป็นธรรมอันปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ประชุมพร้อมกันกระทําให้เป็นขึ้นอย่างหนึ่งเรียกว่าอสังคตัดโถ ด้วยอัจคือเป็นของไม่ตายเพราะเป็นของเที่ยงอย่างหนึ่งเรียกว่าอะมะตัดโถจึงชื่อว่านิโรธสัมมาปฏิปทาชื่อว่ามวัววาทางด้วยอัจคือนำสัตว์ออกจากวัฏทุกอย่างหนึ่งเรียกว่านิยานัตโถด้วยอัจคือเป็นเหตุยังสัตว์ให้ถึงซึ่งนิพพานอย่างหนึ่งเรียกว่าเหตวัฏโถ ด้วยอัตคือเห็นซึ่งพระนิพพานเป็นธรรมอันสุ ข, ขุมล่วงส่วนอย่างหนึ่งเรียกว่าทัศนัตโถเพื่ออัตคือเป็นอธิปดีแห่งสัมยุทธธรรมในการเห็นซึ่งพระนิพพานอย่างหนึ่งเรียกว่าอธิปเตยัตโถจึงชื่อว่ามัทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกซึ่งธรรมทั้งหลายโดยในดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าพักขวา คำว่าพระขวานี้เป็นพระนามแห่งพระผู้มีพระพาเจ้าสำหรับกล่าวด้วยสามารถความเคารพในพระผู้มีพระพาเจ้าผู้เป็นศาสดาอันวิเศษและอุดมกว่าสัตว์ทั้งหลายพระนามตั้งแต่อรหังจนถึงพระขวาเหล่านี้พระพุทธมารดาพระพุทธบิดาหรือพระญาติทั้งปวงหรือเทพดาผู้วิเศษผู้ใดผู้หนึ่งก็ดีจะได้ถวายแก่พระองค์นั้นหาไม่ พระนามเหล่านี้เป็นเนมิตกะนามมาแต่นิมิตคือคุณเกิดขึ้นพร้อมกันกับด้วยความบังเกิดด้วยนามตายในอริยชาติและตรงแสดงธรรมาจากตับปวัตนสูตรแห่งพระองค์พระนามเหล่านี้บางพระนามเหมือนด้วยชื่อพระขีนาธกซึ่งเป็นสาวกมีแต่เนื้อความแปลกกันให้นักปรารถึงรู้โดยเนื้อความซึ่งกล่าวมาแล้วเถิดคุณซึ่งได้ในพระนามเหล่านี้ว่าโดยย่อเป็นสองคือ อัตหิตะสัมปัติความถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยทำเกื้อกูลแก่ตนหนึ่งปะระหิตะปฏิปฏัติความปฏิบัติเกื้อกูลแก่ตักอื่นหนึ่งบทว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจัณสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรเหล่านี้ประกาศอัตหิตะสัมปติคุณก็คือคุณที่ถึงพร้อมบริบูรณ์เกื้อกูลแก่ตน ข้อบทเหล่านั้นแสดงยานและปหานะก็คือปัญญากับการละกิเลสซึ่งเป็นผลและสัมปทาบทว่าอนุตตโรปุริสัทธรรมมาสารติสัทธาเดวมนุสสานังเหลา่านี้ประกาศประหิตะปฏิบัติคุณก็คือเป็นทรรมที่ปฏิบัติเพื่อกูลแก่สัตว์อื่นราะบทเหล่านั้นแสดงสัตุปการะสัมปทาด้วยบทว่าพุทธโธและภควานิ ประกาศคุณทั้งสองคืออาตาหิตะสัมปติและประรหิตะสัมป ต, ติเพื่อกูลแก่พระองค์ด้วยเพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอื่นด้วยก็บททั้งสองนั้นแสดงโพธิสัมภาระสัมภรณะและญาณซึ่งเป็นเหตุสัมปทาและผลสัมปทาและแสดงสัตวุปการะสัมปทาเมื่อเป็นเช่นนี้บททั้งหลายเหล่านั้นได้ชื่อว่าประกาศมหาจรุณาสมาโยคะ และอนุภาตสมบัติรูปกายสมบัติโดยสามารถอันหนึ่งบทว่าอารหังแสดงประหาณะการมลกิเลสบทว่าสัมมาสัมบูโทโธแสดงภาวนาความทำกุศลให้มีให้เป็นขึ้นด้วยเหตุนั้นพระนามทั้งสองนี้จึงเป็นพระนามใหญ่พระองค์ได้ตรัส ด, ด้วยพระนามนี้มีในสุดตังตะประเทศนั้นๆโดยมาก อันหนึง่งบทเหลา่านี้เป็นเหตุต่อต่อกันดังนี้เพราะพระองค์เป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตัดสรุ้เองชอบจึงเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะเพราะพระองค์ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะจึงเป็นผู้ไปแล้วดีได้เพราะเป็นผู้ไปแล้วดีจึงเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลกได้เพราะเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลกจึงเป็นผู้ทรมานซึ่งบุรุษควรทรมานไม่มีใครยิ่งกว่า เพราะเป็นผู้ทรมานซึ่งบุรุษควรทรมานไม่มีใครยิ่งกว่าจึงชื่อว่าเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงเป็นผู้บาแล้วถึงที่เพราะเป็นผู้บาแล้วถึงที่จึงชื่อว่าเป็นสารสดาผู้วิเศษแล้วด้วยคุณอุดมยิ่งกว่าสัตว์ควรความเคารพของโลกถ้าจะเจริญพุทธานุสติระดึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้า ให้พึงระลึกดังนี้ว่าโสภควาอิติปิอารหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงพระนามว่าอารหังแม้เพราะเหตุนี้ไปทุกๆุกบทจนถึงโสภควาอิติปิพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงพระนามว่าพระควาแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้คําว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้ก็คือรู้ความหมายของคําว่าอารหังรู้ความหมายของคำว่าสัมมาสัมพุทโธจนกระทั่งถึง รู้ความหมายของคําว่าพรักวานเพราะเหตุนี้เห็นนี้เหตุคืออะไรคําว่าแม้เพราะเหตุนี้นั้นเล็งเอาคําแปลและอธิบายซึ่งกล่าวมาแล้วก่อนนั้นให้ถือเอาอัดคือเนื้อความขึ้นตลำพึงให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าตามเนื้อความที่กล่าวมาแล้วอย่าถือเอาพยัญชนะขึ้นบนบริกรรมทําอย่างนี้จะไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าจะระลึกทุกๆบทก็ได้หรือบทใดบทหนึ่งตามถนัด จบพุทธรัตนะกะถาก็ขอให้ท่านน้อมนําคําสอนเหล่านี้ก็คือคุณของพรสมารสมาสุจร้าไปอบรมไปเจริญกระทําไว้ในใจผู้ที่เจริญคุณของพรสมารสมาสุจร้าทําไว้ในใจบุคคล น, นั้นเตียบเหมือนกับเป็นพุทธเจดีสมควรเกิดการนิกตาะไหว้บูชาตากะทะผองภัยอันตรายทั้งหลายก็จะทําให้หมดไปสิ้นไปกล้าแล้วจากอันตรายทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์พ้นจากทุกข์ก็คือวิบากอันเป็นทุกข์ และพ้นจาทุกข์คือการแต่เจ็บตายในการไม่เนินชา้านี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ